ทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่คนยิมน้อยจะนำพระธรรมคำสอนธรรมะดีๆมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้มียายคนหนึ่ง แกไม่ค่อยจะสบายและหนูก็ได้เดินทางไปรับแกที่บ้านเพื่อให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมในระหว่างทางที่หนูไปรับยายหนูจึงได้คุยกับยาย ในเรื่องของหมวข้อทรมาตามที่ยาแก่กำลังเป็นทุกข์อยู่ยาแก่เป็นทุกข์เพราะแก่ป่วยและกลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องตายจากลูกๆไปคิดฟุ่งร้านในแต่ละวัน ไนยังจะคิดว่าไม่มีเงินรักษาตัวลัวจะไม่หายไหนยังจะห่วงเพื่อจะต้องจากลูกๆจะต้องทิ้งไปแกฟุ้งและก็คิดไปในทุกๆรูปแบบ จนจิตของแกไม่เป็นสุขเลยหนูจึงได้พูดกับยายแต่อยู่นี้ว่ายายยายจะคิดมากทำไมละ่ะคนเราเกิดมาก็ย่อมที่จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วยายลองคิดตามหนูอย่างนี้นะการที่เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นมาก็ย่อมที่จะมีทุกข์ตามมาอยู่แล้วเป็นธรรมดา เกิดขึ้นมาวันแรกพ่อแม่ก็จะต้องคิดว่าจะเลี้ยงลูกยังไงจะหาอะไรมาเลี้ยงลูกพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เมื่อเราโตขึ้นมาเราก็จะต้องไปมีชีวิตตามเกณฑ์ชะตาชีวิตของเรา ตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้มาทำบนโลกจะต้องไปมีลูกมีสามีมีครอบครัวหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบและเราก็มีชีวิตล้มลุกคลุกคาน ไปตามเกณฑ์ชะตาชีวิตของเราหากแม้ว่าเรานั้นหมดอายุไขแล้วในการจะอยู่ต่อไม่ว่าเราจะอยู่ในกิริยาบทไหนจะป่วยหรือไม่ป่วยเราก็ยอมที่จะตาย บางคนนอนหลับอยู่เฉยเขาก็ยังตายได้ในขณะดที่เขาไม่ได้ป่วยและไม่เป็นอะไรเลยและบางคนอยู่ดีๆก็โดนยิงอุบัติเหตุและก็ตายไปเฉย และบางคนป่วยเชียนตายใครใก็คิดว่าไม่มีทางที่จะรอดได้แน่แต่นายที่สุดเขาก็ยังหายกลับมากลับมาเป็นมนุษย์และหายเป็นปกติได้เพราะว่าเขา ยังไม่ถึงเวลาตายทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ตรัสเอาไว้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ย่อมเป็นไปตามกฎเกมกฎกรรมของมัน ยายพอจะรู้บ้างไหมว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มันก็ทุกแบบนี้แหละไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ย่อมที่จะทุกเรื่องหนึ่งคนรวยเขาก็เป็นทุกของเขาคนจน ก็เป็นทุกข์ของเขาแต่ละคนเมื่อเกิดมาบนโลกแล้วก็มีความทุกข์ตามยถากรรมของตนตามชะตาชีวิตของตนมันก็เป็นธรรมดาของมันแบบนี้แหละ ยายก็ลองมองไปให้เห็นความธรรมดาของมันสิยายจะกลัวทำไมและยายจะคิดมากเป็นห่วงตรงนุ้นตรงนี้กลัวจะไม่หายบ้างกลัวตายบ้างกลัวจะต้องจากคนนุ้นคนนี้บ้าง ต้องจากลูกหลานยายจะกลัวไปทำไมถึงเมื่อยายจะกลัวยายก็หนีมันไม่พ้นถึงว่าไม่กลัวก็หนีมันไม่พ้นเราปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎของกรรมกฎของเกมของมัน ทใจยอมรับกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นปล่อยวางทําใจให้สบายสบายดีกว่าเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีโตเมื่อโตขึ้นก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำ เมื่อมีภาระหน้าที่ที่ต้องทาแล้วก็ต้องมีแก่เมื่อมีแก่แล้วก็ต้องมีป่วยน้อยใจกลัวการจากและในที่สุดก็ต้องมีการตายเป็นเรื่องธรรมดา ยายลองมาคิดแบบนี้สิว่าจะทำยังไงเพื่อหาทางดับการเกิดจะยังดีกว่าอีกในเวลาที่ละยายังเหลืออยู่นี้ยายจะทำแบบไหนเพื่อให้จิตของยายหลุดไปสูดคุม ที่เป็นภูมิของเทพเทวดาหรือหลุดพ้นดีกว่าที่ยายจะมานั่งกลัวยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกข์นะยายหนูจะเล่าอะไรให้ยายฟังนะที่โลกสวรรค์หนึ่งวัน ก็เท่ากันกับโลกมนุษย์ห้าสิบปีและยายลองคิดตามหนูดูลองเทียบดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นโลกมนุษย์หนึ่งวันก็เท่ากับเราไปท่องเที่ยวหรือไปทำไร่ทำสวนไปทำงานวันหนึ่ง แค่นั้นเองและการมาเกิดของทุกๆคนก็เหมือนเป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวที่เรามาทำตุละของแต่ละคนที่มีหน้าที่ที่ต้องมาทำและแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ ของตนเองตามกฎของกรรมที่แต่ละคนได้ลิขิต ด, ด้วยผลของการกระทำของตนเองไว้ยายก็ลงคิดดูสิยายทวดแกก็คลอดยายมาเหมือนกันแกก็รักยายเหมือนที่ยายรักลูกนั่นแหละ ทุกๆคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องมาทำแค่ช่วคราวเท่านั้นหากว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วก็แล้วกันไปเมื่อถึงเวลากลับก็ย่อมที่จะกลับไปเป็นธรรมดาย้ายทวด ก็รักยายมากเหมือนกันและหวังให้ยายได้ดีบได้ดีหวังให้ยายร่ำรวยสุขสบายไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่ตายเหมือนเหมือนกันกับที่ยายหวังให้ลูกเป็นเช่นนั้นและแต่ละคน ก็ได้แต่หวังใช่ไหมหลา่ะยายในที่สุดก็ไม่มีใครมีความจริงได้พ้นเลยยายก็ต้องมาใช้ชีวิตมีลูกมีสามีและลำบากตามยศถากรรมตามชะตาฟ้าที่ริข ตามกฎของกรรมที่ยายได้ลิขิตชีวิตของยายเอาไว้โดยผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรยายได้เลยถึงแม้จะอยากช่วยขนาดไหนและอยากให้ยายมีความสุขร่ำรวยขนาดไหนยายช่วยก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรยายได้ ทุกคนก็ไม่เห็นจะฝืนอะไรจากกฎของธรรมชาติได้เลยและถึงแม้ว่ายายชว่อตยายชว่ไม่อยากที่จะจากยายไม่อยากที่จะจากหลานหากถึงเวลาที่จะจากก็ย่อมที่จะจากไปโดยไม่มีใครฝืนได้ และตอนนี้ยายก็เช่นเดียวกันยายก็ควรจะมองไปให้เห็นถึงความเป็นจริงลูกๆของยายเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถึงแม้ว่ายายจะห่วงเขาขนาดไหนจะกลัวการจากขนาดไหนจะอยากให้เขาได้ดิบได้ดี ร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนมันก็เป็นเพียงแค่ความอยากมันไม่สามารถที่จะฝืนกฎของธรรมชาติไปได้เลยเพราะเขาอ่างก็ได้ลิขิตชีวิตของเขาด้วยผลของการกระทำของเขา แต่ละคนมาอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ที่เขาแต่ละคนจะต้องมาทำกันเหมือนเหมือน ก, นกันกับยายนั่นแหละและไม่มีใครหลอกที่จะสามารถฝืนตาแห่งฟ้าได้เพราะฉะนั้นยาย ก็อย่าคิดมากเลยจงมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดามองให้เห็นธรรมชาติและยายก็จะสามารถดึงภูมิจิตของตนให้อยู่เหนือธรรมชาติได้และไม่ต้องเป็นทุกข์เจ็บป่วย กับสิ่งที่กระทบเข้ามาอีกถึงแม้จะทุกข์อยู่บ้างแต่มันก็จะน้อยยายอย่ามวแต่คิดมากเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละหากวันนี้ยายเข้าใจ กฎของธรรมชาติแล้วยายก็รีบเล่นหาวิธีของการหลุดพ้นดีกว่าว่าจะทำยังไงเพื่อให้ดับการเกิดของตนและยายรู้ไหมในโลกสวรรค์น่าอยู่กว่าที่นี่ตั้งเยอะ มีเรียงวางมีบ้านเรือนที่สวยงามมีแต่คนหนุ่มหนุ่มสาวไม่มีคนแก่ไม่มีการเจ็บและการตายนอกจากว่าทำผิดและถูกลงโทษให้ลงมาเกิด เพื่อชดใช้กรรมเท่านั้นที่สวรรค์ไม่ต้องไปทำมาหากินทุกสิ่งทุกอยาก่างจะอิ่มทิพย์และอยู่ได้ด้วยความเป็นทิพย์ทั้งหมดเพราะเหตุอย่างนี้แหละจึงมีเทวดากุมัน มีเทพที่ลงมาคอยช่วยและฉุดดึงสั่งสอนมนุษย์ให้หาทางหลุดพ้นและหลุดจากการเกิดกันเย้ยแยบมากมายเช่นหนูนี่ไงยาย แลเว้นต่อการสร้างบาปสร้างคุณงามความดีปล่อยวางเดี๋ยวยายก็จะหลุดพ้นไปสู่ภูมิที่สูงและหากยายไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วยายก็จะสามารถเห็นลูกๆหลานๆของยายได้ตลอดเวลา และภูมิสิทธิ์ของเทพของเทวดานั่นแหละจะสามารถช่วยลูกลูกห ล, หลานของยายได้และช่วยได้มากกว่าที่ยายจะมานั่งทุกขอยู่แบบนี้อีกการที่มานั่งทุกขแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากส่องผล ให้ตนต้องเป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นและความทุกข์ในใจก็จะทำให้ร่างกายของยายสุดหนักลงไปอีกก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ลดน้ามันก็จะเหี่ยวไปตามความแห้งของมันยายต้องทำให้จิตใจของยาย ชุ่มชำก่อนและการที่จะทำให้จิตใจชุ่มช่านั้นยายต้องรับน้ำจากธรรมชาติและน้ำจากธรรมชาติก็คือบุญกุศล น, นี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ ดูดขึ้นมาเป็นน้ำชุบเปลียงจิตใจทำให้จิตใจชุ่มชำ่ำและยายก็จะสดชื่นขึ้นมาเองเมื่อสดชื่นมาจากข้างในก็ย่อมที่จะส่งมาถึงข้างนอกด้วยและร่างกายของยาย ก็จะค่อยๆหายจากการเจ็บปวดที่เราลงได้บ้างและมันจะพลิกร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นมาเราต้องหาเหตุของมันให้เจอนะยายเยื่อมัวแต่ทุกข์ร้อนอยู่กับเรื่องต่างๆเลยเมื่อหนูพูดสบ ย่าแกก็มีคำถามที่ยังติดอยู่ในใจแกเหมือนๆกันแกก็จึงถามออกมาอย่างผู้ไม่รู้และตลกตลกนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นท้าวสวรรค์ไม่ได้สร้างสัตว์ขึ้นมาให้มนุษย์ค่าแล้วสร้างขึ้นมาทำไม ให้มนุษย์ต้องเลี้ยงมันทำไมเมื่ อ, อยาถามจบหนูจึงตอบอยาไปว่าการที่มีสัตว์นั้นไม่เชื่อว่าสวรรค์จะสร้างขึ้นมาเทวดาจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ฆ่าหลอกแต่มันก็คือการสร้างกรรมของดวงจิต ที่มีกำรรหนักจนต้องมีกายเป็นสัตว์และต้องมาทรมานอยู่อย่างนั้นและอย่าเข้าใจผิดว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ฆ่าเพราะเป็นความคิดที่ผิดสัตว์นี่แหละคือสิ่งที่สร้างขึ้นมา เพื่อทดสอบความดีของมนุษย์ว่าใครจะผ่านพ้นการทดสอบเลื่อนภูมิจิตขึ้นสู่ภูมิจิตของเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้เพราะบนสวรรค์ก็ย่อมแน่นอนว่าผู้ที่จะไปอยู่ที่นั่นได้ ยอมที่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจึงจะไปอยู่ได้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปก็จะไปได้จึงมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวสอบคนที่เป็นคนดี หากเราเป็นคนดีจริงๆย่อมต้องละเว้นต่อการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อคัดกรองดวงจิตที่ดีจริงๆหากเรายังหลงอยู่ว่าคือการสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ฆ่า และเรายังฆ่าสัตว์เหล่านี้อยู่ถึงแม้ว่าเรานั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนหากว่าเราตายไปก็ย่อมที่จะเหลือสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้อสอบที่สอบไม่ผ่านและเป็นตัวถ่วงให้เราต้องวนกลับมา เกิดใหม่ชดใช้กรรมนั้นๆจ น, น, นกว่าจะหมดและหากว่ายายอยากจะหลุดไปสู่ภูมิที่เป็นภูมิของเทพของเทวดายายก็ต้องเลิกฆ่าสัตว์เช่นเดียวกัน เมื่อหนูตอบกับยายท่านจบยายก็ถามหนูมาอีกว่าในขนาดที่ยายคิดมากวุ้งไปต่างๆนานายายก็คิดว่าหากช่วยเหลืออะไรลูกๆไม่ได้ ยายก็จะตายไปเป็นผีแล้วค่อยมาช่วยลูกยายคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่ผิดหรือเปล่าและเป็นความคิดที่จะก่อเกิดให้เกิดผลอะไรกลับคืนมาเมื่อยายท่านถามจบ หนูจึงตอบกลับไปอีกว่ายายการที่เรานั้นจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราต้องมีภูมิจิตที่สูงต้องเลื่อนภูมิจิตของตนให้ไปอยู่ในภูมิจิตของเทพเทวดาเสีย ก, ก่อนเราถึงจะกลับมาช่วยลูกช่วยหลานได้ หากว่าเราคิดมากจนป่วยตายก็ดีเครียดจนเส้นประสาทแตกตายก็ดีหรือจะฆ่าตัวตายก็ดีหากว่าจิตของเรายังตกอยู่ในกองทุก์ยังไม่มีความสุขอยู่ในจิตหากตายไปจิตของเราก็ย่อมแน่นอน ก็จะไปอยู่ในกองทุกข์บางทีอาจจะต้องรอให้ลูกหลานทำบุญมาช่วยอีกด้วยซ้ำไปและช่วยอะไรลูกหลานไม่ได้เลยเพราะว่าจิตของตนนั้นไม่มีกำลังบุญและตน ยังตกไปสู่ที่ที่ลำบากอยู่จะช่วยเหลือใครได้เพราะฉะนั้นความคิดของยายนี้ยายก็จงยกเลิกคิดไปเถิดยายก็ลองหาดูว่าจะทำยังไงให้จิตของยายหลุดได้แล้วค่อยไปหาวิธี กลับมาช่วยคนอื่นในตอนหลังก็ยังไม่สายเหมือนเช่นดังคนเราต้องเป็นคนรวยก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นหากเราเป็นคนจนอยู่เราจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไง ร, รวยในนัดนะที่นี้ รวยบุญรวยกุศลนะยายหากยายไม่ได้สร้างบุญให้ภูมิจิตของยายมีบุญจนหลุดไปสู่ภูมิที่มีบุญเยอะเช่นกายของเทพเทวดาเส็แล้วยายจะเอาบุญที่ไหนมาช่วยเหลือลูกหลานล่ะนอกจากรอให้ลูกหลาน ส่งบุญไปอีกด้วยซ้ำัยเมื่อหนูพูดจบหนูจึงบอกกับยายว่ายายเข้าใจทั้งหมดที่หนูพูดมาใช่ไหมถ้าหากว่ายายเข้าใจแล้วยายก็่งปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมดาของมันไปถ้ามันจะป่วยและจะตาย ก็ช่างมันเถิดยายอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดกับมันเลยก็เมื่อมีเกิดมาแล้วมันก็ย่อมมีเติบโตมีเป็นหนุ่มเป็นสาวมีแก่มีป่วยแล้วก็มีตายเป็นธรรมดายายก็เกิดมาแล้วโตแล้ว และก็แก่แล้วมันก็ย่อมจะมีป่วยและก็ตายตามมาหากยายคิดเป็นกลางๆแบบนี้และยายปล่อยวางบางทีอาจจะทำให้ยายหายและดีขึ้นมากว่าที่ยายเป็นอยู่อีกนะยายคนเรานะ่จะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความคิดกำลังใจของตนตองทำสิดใจของตนเองไม่ชื่นบานเถอไม่มีใครสามารถที่จะลดน้ำเพรือนินให้กับต้นดอก้ายในใจตัวหลอกยายอย่ามัวจะคิดมากเลยนะจไม่หายวันนี้ หนูก็ยกตัวอย่างธรรมะที่หนูได้คุยกับยายมาตลอดทางขึมาเป็นธรรมะทานที้สัตวนทั้ความทั้งหลายและหุูก็เชื่อว่าคงยังมีคนหลายๆคนเลยที่ยังตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับยานี้ยานี้คงจะเป็นยาดี อีกชนิดหนึ่งที่จะรักษาคนป่วยที่กำลังป่วยในโลกนี้ให้หายได้และจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนให้หายและหลุดพ้นกันทุกๆคนนะ